อีกสูตรหนึ่งนะศรัทธายมณฑสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกไปในโกศลชนบทกับภิกษุสงฆ์มู่ใหญ่ก็สมัยนั้นแหลมานบมากด้วยการเปล่งเสียงอื้ออึงผ่านไปในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเห็นมานบมากด้วยการเปล่งเสียงอื้ออึงผ่านไปในที่ไม่ไกล ถ้าสมัยนี้ก็คล้ายอๆะๆไรพวกนักเรียนนักศึกษาที่มันเย้ยวเยยผ่านไปะนะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงเป่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าชนทั้งหลายผู้มีสติหลงลืมหลงลืมสติแปลภาษาไทยว่าคนไม่มีสติอวดอ้างตัวเองว่าเป็นบัณฑิตคือไม่ได้เป็นบัณฑิตนะแต่สาคัญตนว่าเป็นบัณฑิตพูดตามอารมณ์แปลว่าพูดตามใจ พูดยืดยาวตามปรารถนาย่อมไม่รู้สึกคือไม่มีสัมปชัญญะถึงเหตุที่พูดนั้นชักนำผู้อื่นคือไม่รู้จริงๆว่าตัวเองพูดทำไมพูดให้มันเป็นอะไรพูดแล้วมันเสียหายยังไงไป ต, ต้นไม่รู้เลยสักนิดเดียวนะลักษณะเนี้ยพระองค์ก็อุทานมาประกาศถึงว่าอันนี้โง่มากแต่สำคัญอวดอ้างตนว่าเป็นบัณฑิตพวกเด็กหนุ่มคนนี้ก็ตั้งอยู่ในปฐมวัยหมายถึงเด็กพราม ภาษทยามาเนรนะรูปาท่านกล่าวไม้เอาคําที่เกิดจากการเย่อหยันอธิบายว่ากล่าวเย่อหยันต่อบุคคลเราอื่นผู้มีปกติกล่าวคํานั้นพวกนี้ก็เป็นพวกชอบดูหมิ่นคนอื่นนะนะพระองค์ทราบเนื้อความนั้นแล้วก็ทราบว่าคนเหล่านั้นไม่สำรวมวาจาก็เป่งอุทานโดยธรรมสังเวชสังเวชใจมากเลยนะกลุ่มคนเหล่านี้สังเวชผู้ที่อวดอ้างตนว่าเป็นบัณฑิต ปริมุตถาแปลว่าคนเขาคือคนที่มีสติหลงลืมโง่จริงๆเลยไม่มีข้อมูลอะไรพอที่จะแยกแยะดีชั่วอะไรเลยไม่มีความรู้อะไรพอที่จะมาแยกแยะดีชั่วเพราะคนมีสติคือคนที่สามารถระลึกเหตุวะ่ะนี้ความชั่วนี้ความดีไม่มีข้อมูลไม่มีการสั่งสมข่าวสารอะไรพอที่จะให้แยกดีแยกชั่วแยกบุญแยกบาปแยกอะไรได้เลยแม้แต่นิดเดียว ปัณฑิตาภาษาเชื่อว่าเป็นบันดิตเทียมเพราะเปล่งวาจาว่าตนนั่นแหละรู้อัฏะ น, นั้นนั้นด้วยเข้าใจว่าคนอื่นใครเล่าจะรู้พวกเราเท่านั้นรู้ในอนัฏนี้โอ้ยเก่งจริงๆเลยนะมันก็เรียนไปถึงระดับหนึ่งบอกโอ้ยเก่งที่สุดในโลกเลยนะเรานะี่เก่งที่สุดเนี่ยนะพองมากเลยเนาะเหมือนอะไรลูกโป่งลูกโป่งไม่กลัวอะไรกลัวเข็ม บทว่าวาจาโคจรพานิโนความว่าวาจาเท่านั้นเป็นโคจรคือเป็นอารมณ์ของชนเหล่าใดชนเหล่านั้นชื่อว่ามีการกล่าววาจาเป็นอารมณ์คําว่าอารมณ์ตัวนั้นมาจากคําว่าโคจรนะแปลว่านักท่องเที่ยวไปตามคำพูดคําว่าวาจาเป็นอารมณ์นี่แปลว่าท่องไปตามคําเป็นนักพูดพูดไปเรื่อยไม่มีจบมีสิ้นเชื่อว่าผู้มีปกติกล่าวเพียงวาจาเป็นที่ตั้งเท่านั้น พูดได้เยอะแต่ว่าไม่กําหนดรู้ถึงอัดแต่เนื้อความเป็นยังไงก็ไม่รู้พูดให้เป็นอะไรอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลไม่รู้สักอย่างรู้แต่ว่าพูดไปเรื่อยเนี่ยนะท่องเที่ยวไปตามคำพูดหรือมีคำพูดเป็นการท่องเที่ยวเที่ยวไปตามคำนั่นแหละอีกอย่างหนึ่งผู้มีปกติกล่าวว่าจะเป็นโคจรเพราะพูดมุสาวาสสิ่งที่พูดมันไม่จริงสักอย่าง อันไม่เป็นโคจรของวาจาคือไม่ใช่เป็นโคจรแห่งถ้อยคำของพระอริยะเช่นไม่เห็นก็บอกว่าเห็นไม่ได้ยินก็บอกว่าได้ยินไม่ทราบก็ว่าทราบเป็นต้นเป็นลักษณะการโคจรของอนาระยะชนไม่ใช่พระอริยะผู้มักพูดมีวาจาเป็นโคจรไม่ใช่พูดมีสติปัานเป็นโคจรพูดแบบอะไรเดรฉ า, านกระฉาพาไปะนะไม่ใช่สติปัานพาไป อารมณ์ตัวนั้นนะ่ะวงเล็บหมายว่าโคจรนะหมายว่าการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวนะเที่ยวด้วยมิจฉาวาจากับทเที่ยวด้วยสัมมาวาจานี่ต่างกันท่องเที่ยวด้วยสัมมาวาจาก็คือท่องไปตามสติปัฏฐานเป็นต้นหมายค่ะว่าทุกคำที่พูดก็เป็นอัเป็นธรรมเป็นสติปัฏฐานเป็นต้นนั่นเองซึ่งต่างจากมิจฉาวาจาถามว่าคนเหล่านั้นเขาพูดกันอย่างไรก็บอกพูดยืดยาวตามปรารถนา คือพูดไปตามอยากที่จะพูดอยากพูดอะไรก็พูดไปเรื่อยเนี่ยนะดีไหมไม่ดีเนาะอธิบายว่าทำหน้าเยี้ยวเพราะไม่เคารพคนอื่นและไม่สบอารมณ์ของตนมองเห็นใครก็ดูหมิ่นคนอื่นเต็มไปหมดแล้วตัวเองก็พูดร้ายสยาวเลยอีกอย่างหนึ่งอธิบายว่าพูดแต่วาจาเป็นโคจรเท่านั้นคือตนเองก็ไม่รู้ถึงบทที่พูดแล้วก็พูดไปพูดในเรื่องที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวเองพูดทาไมพูดเรื่องอะไรพูดให้เป็นอะไรบอกไม่รู้ ไมรู้ว่าอยากพูดเหมือนเก่งเนาะเพราะเหตุนั่นแหลจึงพูดยืดยาวตามปรารถนาไม่คิดถึงคําที่เป็นเหตุให้สำเร็จปรารถนาเพียงพูดไปตามปากของตนพวกนี้ก็เดินทางทางวาจาใช่ไหยทางไปไหนดีมุสาวาตปิสุนาวาจาพุสวาจาสัมผัสปลาปะก็ทางไปสู่อบายทุกติวินิบาดนั่นแหละใครจะคิดนะว่าขยับปากขยับไปขยับมาตกนรกได้นะ เอาถูกฟ้องก็ในโลกนี้เสียเงินก็เพราะขยับปากนี่ขยับวาจานี่แหละพูดไปพูดมาเสียตังค์ไว้เยอะเลยอย่างงี้นะบางคนเนี่ยวาจานี่สําคัญจริงๆเลยนะท่านในโลกนี้จะเสียเงินเสียทองจะร่ํารวยก็เพราะวาจาขณะเดียวกันถ้าพูดถึงกรรมและผลของกรรมจะตกนรกจะขึ้นสวรรค์จะบรรลุมรรคผลนี่ผานก็อยู่ที่วาจาเพราะวาจานี้เป็นสิ่งที่จะต้องฝึกต้องอบรมฝึกหมายความว่ากําจัดมิจฉาวาจาแล้วกล่าวแต่ สัมมาวาจารพระองค์จึงบอกว่าการสำรวมวาจาเป็นความดีสำรวมนี้แปลว่าปิดคำชั่วทั้งหมดเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เปิดความดีทั้งหมดถูกเหตุถูกผลเป็นต้นวิถูความว่าบุคคลผู้ไม่รู้คือคนโง่บุคคลที่มีสติหลงลืมเป็นต้นแปลว่าคนไม่มีสติสัมปัญญะไม่มีฮิริอตตะปะแนะนำแต่ภาวะที่ไม่มียางอาย คือพูดได้ยังไงอะนะไม่ละอายปากบ้างเลยหรือที่พูดคําเหล่านั้นออกมาเพราะอะไรเพราะภาวะที่สําคัญว่าตนเป็นบัณฑิตอู้ใครไม่กล้าพูดเท่าเราหรอกคาประเภทนี้เราเท่านั้นแหละกล้าพูดเป็นต้นด้วยเหตุใดพูดถึงเหตุอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่รู้เหตุนั้นของตนผู้พูดอย่างนั้นไม่รู้เราว่าพูดคำพูดเหล่านั้นนํามาซึ่งความเสียหายแก่ตัวเองและ คนอื่นอย่างไรมานำมาซึ่งทุกโทษบาปอากุศลแก่คนอื่นโดยประการใดแสดงว่าเขาใช้ถ้อยคำที่คิดดูพระพุทธเจ้ายัางสังเวชเลยนี่แสดงว่าคำพูดของกลุ่มนั้นไม่ธรรมดาจริงๆ